พระพุทธอวงท่านสมตัดสรุรรรรเป็นสัพพันยุตรสอนความจุยหมู่ขนาเราซึ่งมีความตั้งใจมาพระพฤตธิบัตินั้นให้พากันตั้งใจบําเป็นภาวนาให้มากในทุกๆวัน ผู้ซึ่งเข้ามาบวชมาปฏิบัตินั้นซึ่งเป็นสาวกของสมเด็จตัะสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีความมุ่งหวังในการปฏริบัติให้เต็มที่มุ่งกระทำให้แก้งซึ่งพะ น, นิพาณหรือความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละคืนเราทุกคนไม่ควรที่จะปล่อยโอ ก, กาสปล่อยเวลา ให้ร่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์พึงพยายามปารลบความเปียนให้เต็มที่ให้สมปูมกับที่ได้มาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเป็นลูกสิษย์ของทิเลสลูกสิษย์ของทิเลสนั้นฉันมากนอนมากทาความเพียนน้อยลูกสิษ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ซึ่งสำรวม ในการฉันแต่พอดีนอนแต่แต่พอดีทำความเปลี่ยนไม่มากเมื่อเราทุกคนไม่รู้จักมีความสำรวมไปในจิตแจงเราจิตใจเรานั้นก็ตกเป็นธาตุของเกลียดเมื่อเราฉันมากก็นอนมากเมื่อนอนมากทำความเปลี่ยนก็น้อยการที่จะทำจิตให้สง บ, บนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นผู้ซึ่ง เกิดการกายจากความเปลี่ยนให้กิเลสหรืออารมณ์ทั้งหลายก็ครอบงำจิตแจงเราจิตก็ตกเป็นท่าของกิเลสตกเป็นท่าของอารมณ์เมื่อมีความคิดอันใดซึ่งเป็นความคิดของกิเลสก็พูดไปตามกิเลสหรือกระทาไปตามอำนาจของกิเลสจิตใจก็อุ่นวายฟุ้งซ่านไม่ขอให้เกิดความสุข เพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนมีความมุ่งหวังในการบำเพ็ญเปลี่ย น, นภาวนาพึงจำรวมในทุกๆเรียรบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ตลอดทั้งวันนั้นต้องให้มีสติกำกับใจทุกๆขณะจิตถ้าเผดสตินั้นก็ไม่ต้องว่ากันแต่มีความตั้งใจว่าจะมีสติ ควบคุมจิตใจเรานั้นทุกๆขณะจิตส่วนที่เผอหรือที่เสียหายไปเมื่อเราตั้งสติได้ก็ตั้งใจควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีหรือพูดแต่สิ่งที่ดีหรือก็ะทำแต่สิ่งที่ดีในทุกๆวันถ้าเราพยายามที่จะสํารวมจิตใจเรานั้นดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นกิเลสเห็นอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลส ที่เกิดขึ้นไปในจ see, ิตใจงเราเมื่อเราเห็นกิเลสภายในจิตใจเรานั้นถ้าเรามุ่งหวังที่จะละมุ่งหวังที่จะทําลายกิเลสภายในใจเราเราก็ต้องฝึกหัดทําสติทําสมาธิเพื่อให้มีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสภายในใจเราเพราะจิตใจเรานั้นเมื่อไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะดูแลจิตใจเราหรือควบคุมจิตใจเราแล้ว ใจของเรานั้นก็เป็นกิเลสไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทําอะไรก็เป็นกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นดังการที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของกิเลสนั้นก็ต้องบำเพ็ญเพียรปราลบความเพียรอยู่ทุกๆวันในทุกๆเรียบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทําอะไรก็มีสติกํากับใจเมื่อถึงเวลาที่จะอยู่ในยาบทนั่งสมาธิเราก็สํารวมสติสํารวมสมาธิให้ต่อเนื่อง เพื่อให้จิตแจงเ่านั้นมีความสงบไปขึ้นหรือเมื่อมีโอกาสวราสำรวมอยู่ในยาบทเดนยังกลมก็มีสติกำหนดทำสมาธิในยาบทเดนยังกลมไปเมื่อเราสำรวมมีสติสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในยาบทนัมงสมาธิหรือเดนยังกลม เมื่อออกจากเชียบทนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตามพึ่งมีสติกำกับใจของเรามีสติดูใจของเราไปทุกๆขณะจิตไม่ว่าเราจะพูดหรือจะทำอะไรก็มีสติควบคุมจิตใจ เ, เราถ้าเราทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆสติก็ต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตของเรานั้นก็จะมีความสงบความเยือกเย็นใจมีจิตใจ ซึ่งไม่หวั่นไหวกับรมทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปมีความพอใจมีความไม่พอใจก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันที่จะพิจารณารูปนั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะเป็นรูปวัตถุ ก, ก็ตามจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามสติปัญญาก็เข้าไปพิจารณาปล่อยวางอารมณ์นั้นออกไปจากใจหรืออุบายปัญญานั้นไม่เพียงพอเราก็กําหนดทำสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไป เมื่อมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปผู้บายปัญญานั้นไม่สามารถที่จะละอารมณ์ออกไปจัดใจได้เราก็กำหนดสติกำหนดสมาธิเพื่อที่จะตัดอารมณ์ออกไปทำเช่นนี้อยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นนิ้นสํมผัสรถกายสัมผัสเดินล้อนอนแข็งความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ มีสติดูจิตของเราอยู่เสมอความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่จิตนี้เมื่อมีสติมีปัญญาจัจ่จอเข้าไปในจิตของเรา <c oughs> ก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ น, นั้นเมื่อจิดเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ต่างๆจิตก็วาง อ, อเุเบกขาได้จิตก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิอยู่ในความสงบของจิตเมื่อจิตว่างจากอรมณ์ กิเลสเกิดขึ้นเดืออารมณ์ที่เป็น ก, กิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นอยู่ทุกๆขณะจิตเมื่อสติปัญญาเห็นก็จะมีอุบายที่จะพิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปทุกๆุขณะจิตหรือสติปัญญาอ่อนเราก็กำหนดทำสมาธิไปเรื่อยๆตัดอารมณ์นันออกไปถ้าเราสำรวมจิตใจของเราในทุกๆวันเช่นนี้เราก็จะเห็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างละเอียดได้ ในเบื้อนต้นนั้นก็จะเห็นกิเลสอย่างยากคือความโลภคือความโกรธลาภความปรหนัดนินดีในการทั้งหลายสติปัญญาซึ่งรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะเข้าพิจารณาเข้าทําลายอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้ออกไปจากใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตการทําสติสมาธินั้นจะก่อให้เกิดปัญญาถ้าสติสมาธิไม่รู้เท่าทันอารมณ์แล้ว จิตของเรานั้นก็ปรุงแต่งปุ้มซ้านไปกับลมทั้งหลายทั้งปวงตกเป็นธาตุของอารมณ์ของกิเลสมีความคิดเช่นไรก็พูดไปตามนั้นหรือจะทําไปตามนั้นถ้าเรามีสติกากับใจเราสํารวมจิตใจเราอยู่เสมอสํารวมจิตใจของเราอยู่เสมออารมณ์เกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันก่อมจริของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงพิจารณาละลอารมณ์ไปเรื่อยๆความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณา ลากความโลภออกไปความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาจเจริญเมตตาให้ไปสึ่งกันและกันลากความโกรธออกไปไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ภายในใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาที่จะแก้ไขอารมณ์ต่างๆไว้แต่จิตใจเราอยู่เสมอใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเย็นไม่ว่าจะเกิดอารมณ์ความกำหนัดินดีในการต่งางๆก็เหมือนกันเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นสติ รู้เข้าฐานอารมณ์ทั้งหลายตอนนั้นก็ห า, าวบายปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นอยสุภหะกรรมฐานท่ากรรมฐานให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะปล่อยวางความคิดมั่นถิดมั่นในรมทั้งหลายออกไปจากจิตใจงเราเมื่อจิตมีกําลังของความสงบก็ย้อนกลับมาพิจารณาในร่างกายของเรานี้แหละพิจารณาทั้งรางทั้งภาคทุกๆปันนั่นแหละพิจารณาจนจิตมันเห็นชัดขึ้นมา ในแต่ละส่วนของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังหรือในอาการสามสองทั้งหลายทั้งปวงซึ่งอยู่ในร่างกายเรานี้มีสติมีปัญญาพิจารณาคลี่สายให้เห็นความจริงว่าร่างกายเรานั้นเป็นแต่เพียงปิจุูลเป็นแต่เพียงธาทุามธรรมชาติประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วขาเท่านั้นเมื่อถึงการถึงเวลาก็แตกสายลงไปเน่าเปื่อยผูพังไป เขาเผาเพิ่มเท่าธุลีไปมีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายในกายตนตื่นเสมอเสมอในทุกๆวันเจึงจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติกรรมเพราะฉะนั้นสินของเรานั้นซึ่งทรงไว้ซึ่งธรร ม, มวินยัยอยู่ภายในจิตใจเรามีสติเป็นสติวินยัยสัมรวมจิตใจเราอยู่เสมอในทุกๆเรียบบทเราปาบโลกความเพียรในทุกๆวันเป็นผู้ซึ่งสัมรว์จิตใจเราชันแต่พอดี นอนแต่พอดีทําความเพียรให้มากสมาธิเขาเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นพื้นฐานของจิตที่จะป่อยให้เกิดปัญญาในการที่จะพิจารณาสร้างกายของเรานี้ให้เห็นสภาวะของความไม่เที่ยงของความไม่ใช่มมตัวตนก็เห็นได้ง่ายมีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในใจของเราอารมณ์กิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็เข้าพิจารณาได้ง่าย สามารถที่จะละความยึดมั่นถึงมั่นออกไปจากจิตใจงเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นผู้ประพฏิบัติในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นถ้าปล่อยจิตใจของเราไปกับลมทั้งหลายทั้งปวงปล่อยจิตใจไปกับกิเลสภายในใจของเราเราก็ไม่สามารถที่จะมีสติมีปัญญาที่จะขับข้ามจิตใจเราได้จิตของเรานั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสเข้อของงาครอบงำจิตใจเรา ให้คิดแต่นในเรื่องที่เป็นบาปทื่เป็นอกนุศลพูดในเรื่องถึงเปไรสะะ้สาระกระทำในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดสมาธิไม่ก่อให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นภาในใจของเราถ้าเราทุกคนประหนักความเปลี่ยนในทุกๆวันสติก็ต่อเนื่องสมาธิก็ต่อเนื่องอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโากรธละความหลงในกายตนให้บรรเทาบางลงไปก็สามารถที่จะทําได้โดย ง, ง่ายเพราะการประพฤติบัตินั้น ไม่ใช่เปสิงซึ่งยากลําบากอะไรก็มีสองเรื่องเท่านั้นหนักที่จะพิจารณาเมื่อมีสติมีปัญญาก็พิจารณาร่างกายเหล่านี้ให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมีสติมีปัญญาพิจารณาอรมณภายในใจของเราให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมีสองอย่างเท่านั้นมีแต่พิจารณาร่างกายกับพิจารณาภายในจิตของเรานี่แหละปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจัดจงเราอยู่เสมอนับประพฤติปฏิบัตินั้น ไม่ควรที่จะท้อถอยควรที่จะเอาไปให้เกิดศรัทธาความเพียรในทุกๆวันเพื่อที่อะให้เกิดสติสมาธิปัญญาในการที่จะเอาผานกิเลสหรือทําลายกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจงเรานั้นอยู่เสมอๆตงเ็ตเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นผู้ซึ่งเข้ามาบวชมุ่งหวังความสงบหรือความพ้นทุกข์นั้นเพื่อเอาไปให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวัน ไม่ใช่แต่ละวันแต่ละคืนนั้นก็ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์เป็นผู้ซึ่งขันมากนอนมากที่เขียยทำความเพียนอันนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะมาทำลายจิตใจของเราในภายหลังให้เสื่อมเสียให้เสียหายดงนั้นถ้าเราเข้ามาบวชแล้วตึงพยายามที่จะปราลบความเพียรเดือเสมอมีความตั้งใจในการปรพฤติบัติธรรมตลอดทั้งวันตลอดทั้งคนนืนเว้นในการนอนหลับก็จำวัดบ้างพอสมควร อย่างที่เราทุกคนก็ทราบอย่ดีแล้วหาเวลาที่เหมาะสมจำวัดประมาณสี่ชั่วโมงนอกนั้นเป็นเวลาในหนึ่งกรมนั่งสมาธิทําความเปลี่ยนตลอดทั้งวันมีสติกากับดูแลรักษาจิตใจของเราทุกๆขณะจิตความสงบก็เกิดขึ้นด้วยศีลความสงบก็เกิดขึ้นด้วยสมาธิความสงบก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่ละกิเลสเอกไปแยกจิตใจเราเพราะฉะนั้นจึงพยายามที่จะป่อรับความเปลี่ยนทุกๆวัน เพื่อที่จะละความโล้ให้มันเบาบางไปละความโกรธเพืให้มันเบาบางไปละความหยงในกายตนให้มันเบาบางไปความสงบความเยือกเย็นในความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในติตใจใพวกเราก็ให้ความคิดเห็นพอสมควรให้น้องนําไปปฏิบัติ